151. อัจชารามุปาหณะปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามสวมรองเท้าในอารามเรื่องพระฉับ พ, พักขีสวมรองเท้าในอาราม 248. สสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงฉลองพระบาทสเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ภิกษุผู้เถระทั้งหลายทราบว่าพระศาสดาไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จจงกรมอยู่จึงไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมบ้างเมื่อพระศาสดาไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จจงกรมเมื่อเหล่าภิกษุผู้เถระไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมพวกภิกษุฉับพักขีกลับสวมรองเท้าเดินจงกรม บรรดาภิกษุผู้มักน้อยตำหนิประนามโพท น, นาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉับ พ, พัก ค, คีเมื่อพระศาสดาไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จจงกรมเมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมอยู่กลับสวมรองเท้าเดินจงกรมเล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าเมื่อเราผู้ศาสดาไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมเมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายก็ไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมพวกภิกษุฉับพักขี่สวมรองเท้าเดินจงกรมจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราผู้ศาสดาไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมเมื่อพิกษุผู้เถระทั้งหลายก็ไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมฉไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงสวมรองเท้าเดินจงกรมเล่าแท้จริงพวกคฤหัสผู้นุ่งห่มผ้าขาวก็ยังมีความเคารพยำเกรง ประพฤติสม่ำเสมอในอาจารย์เพราะได้ศึกษาศิลปะอันเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตการที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้พึงมีความเคารพย้ำเกรงประพฤติสม่ำเสมอในอาจารย์ในภิกษุรุ่นอาจารย์ในอุปชาในภิกษุรุ่นอุปชาก็จะงดงามในธรรมวินัยนี้แน่ การกระทําของโมคะปรุหลดเหล่านั้นม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสละครั้นทรงตําหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออาจารย์เมื่อภิกษุรุ่นอาจารย์เมื่ออุปชาเมื่อภิกษุรุ่นอุปชาไม่สวมรองเท้าเดินจงกรม ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าเดินจงกรมรูปใดสวมเดินจงกรมต้องอาบัตทุกกดภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าในอารามรูปใดสวมต้องอาบัตทุกกด